นี่แหละจึงกล่าวว่าเหมือนกับเราไม่ได้ยึดถือเอาพระองค์เป็นที่พึ่งการเปล่งเช่นนั้นถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจความหมายของพุทธคุณแต่ะบทหรือไม่เข้าใจในหลักการที่เราจะยึดถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งได้อย่างไรก็เหมือนกับเรานี้ยังไม่ได้ถึงพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงถ้าหากว่า ราธุชนทั้งหลายได้ศึกษาเข้าใจในพระพุทธคุณแต่ละองค์แล้วแล้วเราก็เกิดศรัทธาที่จะปฏิบัติโดยนั่งบริกรรมเอาพระพุทธคุณเนี่ยเป็นอารมณ์แต่ละองค์แต่ละองค์ทั้ง9้าองค์นี้ไปตามลาดับโดยเข้าใจความหมายของพระพุทธคุณนั้นๆขั้นต้นนี้แม้พระพุทธคุณจะยังไม่ประทับอยู่ในใจ ที่มาไม่ประทับอยู่ในใจเนี่ยคือยังไม่ติดใจเราเพราะบางครั้งเราอาจยังไม่ได้นึกถึงท่านเราอาจจะลืมไปชั่วขณะหนึ่งตลอดวันแล้วก็ไปนึกถึงท่านตอนก่อนจะนอนอะไรเหล่านี้ก็แสดงว่าพระพุทธคุณยังไม่ได้ประทับใจถ้าประทับใจแล้วเราจะต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าทุกๆเรียาบททุกๆขณะจิตที่เราดาเนินกิจการต่าง จะต้องนึกถึงพระองค์เป็นอารมณ์อยู่ตลอดเวลาถ้าทําได้อย่างนั้นแล้วก็เท่ากับว่าเรานี้ได้มีพระพุทธองค์ประทับอยู่ในใจเราแล้วเราระ ล, ลึกถึงอยู่เสมอจะองค์ใดองค์หนึ่งก็ตามถ้าหากว่าเราบริกรรมอยู่และก็นึกถึงอยู่บ่อยๆนั่นแหละเท่ากับพระพุทธคุณนี้ได้มาประทับอยู่ในใจเราเมื่อมาประทับอยู่ในใจเราแล้วจะเกิดผลประโยชน์แก่จิตใจเราอย่างไรบ้าง โดยอนุสงฆ์ที่เราจะพึงได้จากการเจริญพุทธานุสตินี้ท่านกล่าวว่าเมื่อพุทธศาสนิกชนได้น้อมจิตนี้นึกถึงพระพุทธคุณเป็นอารมณ์โดยตลอดไม่ขาดสายแล้วจิตของบุคคลผู้มีพระพุทธคุณประทับอยู่อย่างนี้ย่อมไม่ถูกราคะ ไม่ถูกโทสะไม่ถูกโมหะเข้ากรุ่มรุมจิตนั้นย่อมจะดำเนินไปตรงหมายความว่าในระหว่างที่เราบริกรรมว่าอิติปิโสพัควาอารหังอยู่อย่างนเนี้ยเนืองเนืองในขณะนั้นราคะโทสะโมหะจะเกิดขึ้นภายในจิตหรือกรุ่มรุมจิตของเราไม่ได้จิตนั้นจะมุ่งไปตรงคาว่ามุ่งตรงในที่นี้ตรงต่ออะไร ท่านบอกว่าตรงต่ออารมณ์ของกรรมฐานอารมณ์ของกรรมฐานก็คืออารมณ์ของการเจริญกรรมฐานที่เรากําลังบริกรรมอยู่อันเป็นส่วนของสมถกรรมฐานขณะนั้นจิตนี้จะมุ่งตรงต่อสมถกรรมฐานเมื่อจิตมุ่งตรงเฉพาะต่อกรรมฐานแล้วจิตนั้นจะประกอบด้วยวิตกและวิจารณ์คําว่าวิตกและวิจารในที่นี้วิตกนั่นคือการยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ วิจารณ์คือพิจารณาอารมณ์ไม่ใช่หมายถึงวิตกกงวลหรือวิภาควิจารณ์อย่างที่เราเข้าใจกันตามภาษาชาวบ้านแต่ในทางธรรมะนั้นหมายถึงว่าจิตนี้ถูกยกขึ้นสู่อารมณ์ที่เป็นพระพุทธคุณจิตนี้จะพิจารณาแต่พระพุทธคุณที่เรียกว่าวิจารณ์วิจารณ์อารมณ์คือพระพุทธคุณเนี่ยตลอดเวลาเมื่อเป็นดังนี้จิตนั้นจะน้อมไปสู่พระพุทธคุณอยู่เนือง วิตกวิจารก็จะเกิดขึ้นอยู่ในลักษณะดังกล่าวนี้เมื่อเราตรึกตรองเช่นนั้นอยู่ในพระพุทธคุณนี้บ่อยๆสภาวธรรมนี้จะเกิดต่อมาอีกคือเมื่อมีจิตเมื่อยกจิตขึ้นสู่อารมณ์คือพระพุทธคุณเมื่อจิตนั้นพิจารณาอารมณ์คือพระพุทธคุณอยู่เสมอๆแล้วปีติจะเกิดขึ้น ปีตินี้คือความอิ่มเอิบใจท่านทั้งหลายจะสังเกตได้จากผู้ที่มีจิตอันสงบอย่างเช่นสาวุชนผู้เคร่งครัดในเรื่องของศิลธรรมเอาจิตอยู่กับพระรัตนตรัยอยู่เสมอสาวุชนผู้นั้นจะมีผิวพรรณผ่องใสใบหน้าอิ่มเอิบอยู่ตลอดเวลาที่อิ่มเอิบเช่นนี้ก็เพราะว่ามีความปีติมีปีติเป็นอาหารหล่อเลี้ยงอยู่ ปีติอยู่ในพระพุทธอยู่ในพระธรรมอยู่ในพระสงฆ์ความหมุ่นหมองจะไม่เกิดขึ้นแก่บุคคลเช่นนั้นวิธีที่เราจะประคับประคองจิตไม่ให้ตกไปเป็นทาตของความเศร้าหมองนั้นก็ปฏิบัติอย่างเนี้แบบง่ายๆเพียงชั่วเราทําใจของเรานี้ให้ผ่องใสเกิดปีติขึ้นในพระพุทธคุณทุกต่างๆก็ทุ่มทับไม่ได้แล้วเราก็มีความสุขในชั่วระยะนั้นถ้าเราทําได้ตลอดมันเราจะมีความสุขตลอดวัน เราทําได้จนทั่งนอนตื่นถึงหลับเราจะมีความสุขตั้งแต่ตื่นถึงหลับถ้าทําได้อย่างนี้ทุกวันแล้วชีวิตของเราที่อยู่ในโลกนี้ก็จะอยู่อย่างเป็นสุขจิตใจจะไม่เศร้าหมองจับผ่องใสเช่นนี้ตลอดเวลาอายุก็จะยืนนานเพราะจิตสงบสุขภาพทางจิตสุขภาพทางกายจะสมบูรณ์ทั้งสองอย่าง ถ้าหากว่าเรามีปีติเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงปีตินี้นับว่าเป็นธรรมะที่มีความสำคัญต่อการระงับทุกข์หรือระงับความกระวนกระวายในจิตของเราเนี่ยได้อย่างดีที่สุดเพราะว่าบุคคลที่มีจิตหม่นหมองจิตนี้จะถูกอกุศลต่างๆเข้าครอบงาบางครั้งเรารู้สึกวุ่นวายที่วุ่นวายเนี่ยคือในใจเนี่ย มันร้อนรุ่มไปหมดมีเรื่องสารพัดเรื่องที่เราจะต้องสะสมจะต้องคิดจนทั้งเกิดความเล่าร้อนขึ้นปั่นป่วนเหมือนกับคลื่นในมหาสมุทรความกระวนกระวายเช่นนี้ทำให้เกิดความทุกข์อย่างมากเราจะระงับความกระวนกระวายอย่างนี้ได้อย่างไรท่านตรัสว่าต้องระงับได้ด้วยปีติ ถ้าปีติในธรรมเกิดแล้วความกระวนกระวายเหล่านี้จะสงบระงับไปหมดจะไม่เกิดขึ้นแก่บุคคลผู้นั้นเมื่อความกระวนกระวายสงบระงับแล้วสิ่งที่จะเกิดตามมาคือความสุขทางกายและความสุขทางใจเราจะรู้สึกว่าแม้กายก็สบายใจก็เป็นสุข กายสบายเนี่ยคือร่างกายของเราจะไม่ตกเป็นภัยของพยาธจิตใจของเราก็จะไม่ตกไปเป็นธาตุของกิเลสคือมีทั้งทางร่างกายและทางจิตใจผ่องใสมีความสุขอยู่ตลอดเวลานี่เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการเจริญพุทธานุสติองคใดองค์หนึ่ง เมื่อเราสามารถสร้างความสุขทางกายทางใจให้ปรากฏอย่างนี้สภาวธรรมที่จะเกิดขึ้นต่อมาก็คือองฌานหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสมาธิเพราะเมื่อคนมีความสุขกายสุขใจแล้วสมาธิย่อมเกิดขึ้นได้มั่นคงท่านทั้งหลายจะสังเกตได้จากการที่เรานั่งทําสมาธิ ถ้าวันไหนใจของท่านผ่องใสเป็นสุขวันไหนร่างกายสบายเลือดลมเดินสะดวกวันนั้นทำสมาธิได้ดีที่สุดเพราะนั่งหลับตาจิตก็สงบแล้วหรือบางทีไม่ได้รั่งหลับตาลืมตาอยู่จิตก็สงบสงบเยือกเย็นไม่กกลวนกวายอะไรเนี่ยเป็นผลเนื่องมาจากความสุขกายสุขใจเป็นเหตุให้เกิดสมาธิ แต่นี้หมายถึงความสุขกายสุขใจที่เกิดขึ้นจากปีติเป็นประทับฐานถ้าเป็นความสุขกายสุขใจที่เกิดขึ้นจากการปรุงแต่งเหมือนกับที่เราปรุงแต่งให้เกิดความสุขกายสุขใจแล้วอันนั้นจะไม่เป็นเหตุให้เกิดสมาธิเพราะความสุขที่เป็นเหตุให้เกิดอกุศลก็มีความสุขที่เป็นเหตุให้เกิดอกุศลก็มีอย่างความสุขกายสุขใจที่เกิดจากปีติเป็นอาหารนี้ก็จะเป็นเหตุให้เกิดความสุข เป็นเหตุให้เกิดสมาธิแต่ถ้าความสุขอันใดที่เกิดขึ้นโดยความสุขอันนั้นต้องอาศัยปัจจัยปรุงแต่งแล้วความสุขเช่นนั้นจะเป็นปัจจัยให้เกิดราคะหรือเกิดโลภขึ้นต่อไปเพราะความสุขเนี่ยถ้าไม่ให้เป็นเหตุให้เกิดสมาธิก็จะเป็นเหตุให้เกิดราคะายังคนมีความสุขความสบายมากราคะก็เกิด ฉะนั้นท่านจึงสอนให้เรานี้สแสวงหาความสุขในทางที่ถูกหรือจะสร้างความสุขให้แก่ตัวเราเองก็ต้องสร้างให้ถูกทางถ้าสร้างความสุขไม่ถูกทางแล้วก็จะเป็นเหตุให้เกิดอกุศลทำให้อกุศลเกิดขึ้นในใจมากขึ้นแต่ถ้าเราสร้างถูกทางแล้วปกุศลจะเกิดขึ้นติดตามมาเพราะเมื่ององฌานเกิดขึ้นแล้วสมาธิจิตย่อมมั่นคงต่ออารมณ์ต่างๆไม่หวั่นไหว นี่เป็นผลที่เราได้รับในด้านของสมาธิจิตมีสมาธิปรากฏเกิดขึ้นได้โดยอาศัยเหตุปัจจัยอย่างนี้ฉะนั้นในระยะเริ่มแรกที่ท่านทั้งหลายได้เจริญอนุสติจะบริกรรมพระพุทธคุณบทใดบทหนึ่งเป็นอารมณ์ก็าตามทุกๆวันที่เราสวดมนต์ไหว้พระขอให้เราเข้าใจความหมายในพระพุทธคุณแต่ละบทนั้น ขณะที่เราบริกรรมอยู่จิตของเราจะผ่องใสไม่ถูกราคะโทสะโมหะรุ่มรุมและในขณะนั้นจิตของเรานี้จะประกอบด้วยวิตกวิจาร์จะน้อมไปสู่แต่พระพุทธคุณเพียงประการเดียวเมื่อตรึกอยู่ในพุทธคุณเช่นนี้ปีติก็ย่อมปรากฏเกิดขึ้นเมื่อปีติปรากฏเกิดขึ้นความรกรลกระวายต่างๆก็สงบระงับลง เมื่อความกระวนกระวายทางกายทางใจสงบระงับลงความสุขกายสุขใจก็ปรากฏเมื่อความสุขกายสุขใจปรากฏจิตก็มัน่นคงที่เรียกว่าเป็นสมาธิในสมาธิจิตที่เกิดขึ้นดังกล่าวนี้ยังจะเกื้อกูลต่อคุณธรรมหลายอย่างที่เกิดขึ้นภายในจิตของเราคุณธรรมดังกล่าวนี้ก็คือหนึ่ง ทำให้เรานี้มีความรู้สึกยำเกรงต่อพระศ า, าสดาคำว่ายำเกรงต่อพระศาสดานั้นคือเราจะมีความรู้สึกยำเกรงต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ว่าพระองค์จะไม่มีชีวิตยอยู่ในโลกนี้แล้วก็ตามเพียงแค่พระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่เบื้องหน้านี้เราก็จะรู้สึกเคารพยำเกรงในพระศาสดาขึ้นมาทันที หรือแม้แต่เราจะไม่ได้อยู่ชนะเฉพาะหน้าพระพุทธรูปก็ตามเราจะอยู่คนเดียวในสถานที่ใดก็ตามเราจะรู้สึกว่าเรานี้อยู่ต่อหน้าพระพักพระบรมาศาสดาเราจะต้องรู้สึกเคารพยำเกรงเมื่อเคารพยำเกรงเช่นนี้เราย่อมจะไม่กล้าที่จะประกอบกรรมชั่วใดๆลงไปเพราะความรู้สึกว่าเราเนี่ยอยู่ต่อหน้าพระาศาสดา ถ้าเราทำกรรมชั่วอะไรลงไปเห็นแล้วพระศาสดาก็จะต้องเห็นการกระทำชิ่นนั้นถ้าเรากระทาลงไปท่านจะเห็นการกระทาของเราซึ่งท่านจะตำหนิเตียนเราว่าเรานี้ไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์นี่แหละเป็นเหตุทำให้เราเนี่ยเกิดความยำเกรงเมื่อยำเกรงขึ้นมาก็ทำให้เรานี้รู้จักควบคุมกายวาจาได้ไม่กล้าระทาสิ่งที่ผิดต่อพุทธบัญญัติลงไป เนี่ยเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เราเคารพยำเกลงในพระาษาสดาขึ้นอีกประการหนึ่งจะทำให้เรานี้เป็นผู้มีความถึงพร้อมด้วยศรัทธาศรัทธานั้นคือความเลื่อมใสความเชื่อในพระตนรตรัยเนี่ยมากยิ่งขึ้นจะทำให้เรานี้มีศรัทธาคือความเชื่อในกรรมในผลแห่งกรรมในความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เชื่อในการประกอบกรรมต่างๆเชื่อโลกนี้เชื่อโลกหน้าเชื่อนรกเชื่อสวรรค์ความเชื่อนั้นก็จะเกิดขึ้นอย่างถูกทางเพราะว่าเมื่อเราได้เคารพในพระสัสดาแล้วศรัทธาอันนี้จะเกิดขึ้นเมื่อศรัทธาเกิดขึ้นแล้วจะทําให้เรานี้เป็นผู้มีสติสตินั่นคือความระลึกได้ในอารมณ์ เราจะไม่ตั้งตนอยู่ในความประมาททุกขณะเราจะมีสติควบคุมอยู่ไม่ตกไปเป็นทาสของความประมาทเนี่ยทำให้เรานี้ได้เกิดประโยชน์ดังกล่าวคือเมื่อศรัทธาเกิดแล้วก็ทำให้มีสติด้วยทำให้เป็นคนไม่ประมาทด้วยรู้จักแวดระวังรักษาอายตนะต่างๆนี้ มีให้ตกไปเป็นธาตุของอารมณ์ตลอดเวลานอกจากทำให้เรามีสติแล้วก็จะทำให้เรานี้เกิดปัญญาคือความรู้ความเข้าใจในสภาวธรรมนี้อย่างถูกต้องมีปัญญาเกิดขึ้นคือไม่เป็นคนโง่ไม่เป็นคนข่าหรือไม่เป็นคนที่ไม่รู้อะไรเลยแต่ว่าเราจะมีปัญญารู้ว่าอะไรเป็นอะไรประการสุดท้ายก็คือทำให้เกิดบุญ ทำให้เราได้รับบุญเป็นอันมากเพียงแค่นึกถึงพระพุทธคุณนี้ศรัทธาสติปัญญาเกิดตามมาแล้วบุญยังเกิดอีกด้วยผู้ทมเช่นนั้นคือผู้ที่ทำบุญถ้าถามว่าเราทำบุญทุกวันหรือเปล่าสาทุชนทั้งหลายที่เคร่งครัดในการบูชาพระในการเจริญสมาธิก็ตอบได้ว่าเราทำบุญทุกวันเพราะว่าแม้แต่ท่านทั้งหลายนั่ง ทำความสงบเอาใจนึกถึงพระพุทธเจ้าท่านก็ชื่อว่าได้ทําบุญแล้วแต่เป็นบุญประเภทหนึ่งซึ่งเรานึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เป็นบุญที่เกิดขึ้นจากการเจริญภาวนาเราได้บุญแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านจึงตรัสว่าผู้ที่มากด้วยปีติมากด้วยปราโมทนั้นยังจะได้รับประโยชน์อีกหลายอย่าง ผู้ที่มีปีติปราโมทย์อยู่ในพระพุทธคุณแล้วย่อมเป็นผู้อดทนต่อภัยที่หวาดเสียวคือภัยที่เกิดขึ้นมาด้วยความหวาดเสียวสยดสยอ ง, งต่างๆเนี่ยที่เราโกรกันมากนั้นภัยทั้งหลายเหล่านี้ก็จะสงบระงับภัยต่างๆจะสงบระงับเราจะไม่หวาดเสียวในเรื่องราวนี้เกิดความแกล้วกล้าเกิดความอาาัดหัน ในขนาดที่เราเผชิญต่อพยันตรายหรือความบาดเสียวต่างๆนี่เป็นประโยชน์ที่เราได้รับจากการเจริญพระพุทธคุณนอกจากความบาดเสียวแล้วผู้ที่มีสมาธิเช่นนี้ย่อมมีความอดกลั้นต่อความทุกข์ต่างๆได้ที่ว่าอดกลั้นต่อความทุกข์ต่างๆได้นี่คือเราจ ะ, ะเผชิญต่อความทุกข์อะไรก็ตาม อยากเป็นความทุกข์เกิดขึ้นทางกายหรือความทุกข์เกิดขึ้นทางใจเราอดทนได้ทางกายเนี่ยคือร่างกายของเราอาจจะต้องถูกโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนถูกกระทบกระทั่งกับของแข็งจนกระทั่งเกิดทุกขเวทนาขึ้นถ้ามสมาธิจิตเราดีแล้วเราก็อดทนต่อความทุกข์ทางกายได้ส่วนความทุกข์ทางใจนั้นก็คือความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการที่เราสูญเสียของรัก การที่เราได้พบสิ่งที่เราไม่รักการที่เราปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นดังที่ปรารถนาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นความทุกข์ทางใจความทุกข์ทางใจเช่นนี้ถ้าเราไม่มีสมาธิจิตแล้วเราก็อดทนไม่ได้เมื่ออดทนไม่ได้ก็อาจจะคิดหาทางออกในทางที่ผิดๆ ด, ดังที่เราได้ยินได้ข่าวบ่อยๆว่าคนนั้นกระโดดน้ำตายคนนี้ฆ่าตัวตายคนนั้นกินยาตาย ที่เป็นดังนี้เพราะเหตุว่าไม่สามารถที่จะอดทนต่อความทุกข์ทางใจได้เมื่ออดทนไม่ได้ก็ต้องหาทางออกในทางที่ผิดนี่ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เราได้รับอันตรายขึ้นได้นอกจากเราจะมีความอดทนแล้วถ้าเราปฏิบัติเช่นนั้นอยู่เสมอหนึ่งเืองเราจะมีสภาพเหมือนหนึ่งกับว่าเราได้อยู่ร่วมกันกับพระบรมศาสดา เราจะอยู่ในที่ไหนก็ตามก็เหมือนกับอยู่ร่วมกับพระศาสดาเ <ll> ช่นอย่างเราอยู่ที่บ้านก็เหมือนกับว่าเออพระพุทธเจ้านี้ท่านเดินมาอยู่กับเราด้วยเหมือนกับว <tr> ่าท่านมากระทับอยู่ที่บ้านเราเราจะอยู่ในรถเราจะอยู่ในเรืออยู่ในสถานที่ใดๆก็ตามความรู้สึกนั้นจะเหมือนกับว่าเราไม่ใช่อยู่เพียงคนเดียวแต่เรานี้มากับพระบรมศาสดาเราอยู่กับพระพุทธเจ้า มีพระพุทธองค์มาเป็นเพื่อนด้วยแม้ท่ามกลางป่าอันแสนเปลี่ยวถ้าจิตนี้ตั้งมั่นอยู่ในพุทธคุณแล้วก็เหมือนกับเรานี้อยู่กับพระศาสดาการได้อยู่ใกล้ชิดกับพระสาสดาดังกล่าวนั่นแหละเป็นเหตุหนึ่งที่ทําให้เรานี้ไม่เกิดความหวาดสะุ้งต่อสิ่งที่น่าหวาดเสียวคือไม่เกิดความกลัวอยู่ในป่าเปลียป่ยวแล้วก็ไม่กลัว หรือที่ใดที่บอกว่ามีผีดุเราก็ไม่รู้ไม่รู้สึกกลัวหรือเราจะอยู่ท่ามกลางพยันตรรายแม้กระทั่งในสนามรบเราก็รู้สึกไม่หวาดกลัวไม่หวาดเสียวต่ออันตรายเช่นนั้นนี้เพราะว่าเรานี้มีพระพุทธคุณเนี่ยตั้งมั่นดีอยู่นี่เป็นเป็นผลที่เราได้รับจากการเจริญพระพุทธคุณ ในด้านของคุณธรรมที่เกิดขึ้นภายในจิตฉะนั้นผู้ที่มีความมั่นคงต่อพระพุทธคุณอย่างเนี้ย่ระพุทธออค์ตรัสว่าบุคคลผู้นั้นได้สร้างเจดีขึ้นแล้วในชีวิตของตนหรือดุจ ด, ดังว่ามีเจดีอยู่บนศรีรษะคือบุคคลที่เราจะต้องไปบูชา หรือบุคคลใดซึ่งเป็นบุคคลที่ควรบูชาท่านตรัสว่าบุคคลที่ควรบูชานั้นก็คือบุคคลผู้ที่มีคุณธรรมสูงมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเช่นอย่างพระพุทธเจ้าพระอริยสาวกต่างๆผู้มีคุณธรรมบุคคลเหลา่านี้เป็นผู้มีศีลมีธรรมนี้เป็นผู้ที่ควรเคารพและบูชา ศิษะของบุคคลผู้นั้นเสมือนหนึ่งกับเป็นองค์เจดีคือเราจะกราบไหว้บุคคลผู้นี้ด้วยความเครารพเหมือนกับเราเนี่ยกราบเจดีเพราะว่าคนที่สร้างพุทธคุณไว้ในใจแล้วก็เหมือนกับสร้างชีวิตนี้ให้เป็นเจดีขึ้นเป็นพุทธเจดีขึ้นใครเห็นก็กราบไหว้เครารพ บ, บูชาเหมือนกับว่าเราเนี่ยมีเจดีอยู่บนศีรษะ หรือทํศาศีรษะของเราให้เป็นเจดีย์ขึ้นมาใคร้ๆก็บูชาแม้ตายแล้วเขาก็ยังบูชาเพราะเป็นวัตถุที่ควรแก่การบูชาถ้าก็ว่าเราได้สร้างเจดีย์ให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราหรือสร้างเจดีย์ขึ้นไว้บนศรีรษะของเราใครเห็นก็จะกราบไหว้บูชาอยู่บุคคลผู้ที่มีพุทธคุณเป็นอารมณ์อยู่ ย่อมมีหิริมีโอตัปะหิรินั้นคือความระอายต่อบาปจะไม่กล้าทำบาปทั้งในที่รับและในที่แจ้งจะมีโอตัปปะคือความเกรงกลัวต่อบาปทั้งในที่รับและในที่แจ้งจะประพฤตินตนตามระเบียบตามประเพณีนิยมไม่เป็นคนฝ่าฝืนระเบียบประเพณีนิยมมีความเป็นอยู่อย่างมีวัฒนธรรม ไม่สัมสอนเหมือนปะสสตว์โดยทั่วไปเพราะว่ามีฮิริโอตปะเป็นเครื่องรักษาตนอยู่ถ้าหากว่ามนุษย์ที่อยู่ในสังคมส่วนมากขาดธรรมะสองข้อนี้แล้วก็จะมีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างคนที่สัมสอนหาความแน่นอนอะไรไม่ได้หาความเป็นระเบียบหาวัฒนธรรมไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างเรื่องลอยที่สุด เึ่งความเป็นอยู่เช่นนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับประสุสัพเพราะฉะนั้นคนทุกคนจึงต้องมีหิริมีโอดตับปะอยู่เราจึงมีความอยู่ร่วมกันอย่างมีระเบียบมีขนบธรรมเนียมประเพณีไม่ใช่อยู่อย่างคนปา่าคนเถื่อนที่ปราศจากขนบธรรมเนียมประเพณีนี่เป็นผลที่เราได้จากจากการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมในข้ออนุสตินี้ผลขั้นสุดท้ายนั้น การประพฤติธรรมทั้งหลายย่อมมุ่งไปสู่ความบริสุทธิ์เป็นที่ตั้งเรามุ่งต่อมรรคผลนิพพานเป็นที่ตั้งแต่ถึงแม้เราจะไม่ได้บรรลุถึงซึ่งพระนิพพานจากการที่จเจริญอนุสติอย่างนี้ผลที่ปรากฏเกิดขึ้นก็ยังมีสุขติเป็นไปในเบื้องหน้าหมายความว่ า, วาถึงแม้เราจะไม่ได้บรรลุมรรคผลเลยแต่ผลจากการที่เราจเจริญพุทธานุสตินี้ เราจะไม่ตกนรกอย่างน้อยก็จะได้ไปสู่สุกติภูมิในเบื้องหน้าคือจะเกิดแต่ในมนุษย์ในเทวโลกจะไม่ไปเกิดในอบายภูมิคือสัตว์นรกเปรตอสุรากายหรือเดรัจฉานแต่เราจะเกิดในสุกติภูมิเนี่ยตลอดเวลาพระพุทธคุลนั้นจึงช่วยได้อย่างนี้คือถ้าไม่ได้บรรลุมรรคผลก็ยังได้ผลทางด้านโลกียะสมบัติ ยังได้เทวสมบัติและมนุษสมบัติเนี่ยเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการเจริญพุทธานุสติในประเด็นใหญ่ๆที่สำทัญอันนี้จึงพอที่จะประมวลให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจแล้วว่าการตั้งจิตมั่นอยู่ในพระพุทธคุณเพียงองค์เดียวองค์ใดองค์หนึ่งโดยไม่หวั่นไหวนั้น ย่อมก่อให้เกิดความสุขในชีวิตปัจจุบันนี้ได้ทำให้เรามีความสุขกายสุขใจได้ทำให้เรามีสมาธิจิตมั่นคงจิตใจไม่วันไหวเลื่อนลอยมีที่ยึดเหนี่ยวอันแน่นอนแม้ว่าจะกระทบกับอารมณ์ทั้งที่เป็นอิทธารมและอนิทธารมณ์จิตนี้ก็จะไม่วันไหวเราสามารถอดกลั้นอดทน ต่อภัยที่หวาดเสียวได้ต่อทุกทั้งปวงได้เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงได้ตรัสว่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์เนี่ยก็มีสภาพเหมือนกับธงธรรมดาทหารที่ออกรบในสมัยก่อนเนี่ยทหารจะดูธงดูคนที่ถือธงคนถือธงเนี่ยเป็นคนสำคัญมากถ้าหากว่าถือธงถูก การเดินทัพก็เป็นไปในทางที่ถูกถ้าถือธงผิดการเดินทัพก็ผิดกองทัพใดก็ตามจะต้องมีธงเป็นสั ญ, ญลักษณ์ถ้าไม่มีธงเป็นสั ญ, ญลักษณ์กองทัพนั้นกำลังใจของทหารก็ตกลงยังเราจะเห็นได้ว่าในสถานที่ทั่วไปเนี่ย เรามีธงเป็นสัญลักษณ์อยู่ธงชาติถ้าประเทศไทยเราก็มีธงไทยเนี่ยเป็นสัญลักษณ์อยู่ในผ้าผืนเดียวกันนั้นเราได้มีความหมายอยู่หลายอย่างรวมอยู่ในผ้าผืนเดียวกันคือเรามีทั้งชาติเรามีทั้งศาสนาเรามีทั้งองค์พระมหากษัตริย์รวมอยู่ในธงผืนเดียวกัน ฉะนั้นทุกครั้งที่เราเห็นธงชาติเราจะรู้สึกอิ่มเอิบใจยิ่งทหารโดยแล้วถ้าเห็นธงชาติก็ยิ่งเกิดกําลังใจมากขึ้นนี่เพราะเหตุว่าธงนั้นเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจสมัยที่ทาเวประจิตติทําสงครามกับอาศุนพวกเทวะทั้งหลายที่เข้าสู่สงครามในครั้งนั้นบางคนเกิดความหวาดเสียวหวาดกลัว ท่านก็ชี้ให้ดูธงเมื่อดูธงแล้วก็จิตใจก็เกิดความแกล่ากล้าขึ้นพระสงฆ์ที่บําเพ็ญทำอยู่ในป่าบางครั้งเกิดความหวาดเสียวเพราะมีเสียงเปรตเสียงอสุรกายเสียงผู้ผีที่ได้หลอกหลอนในป่าก็มีทำให้พระสงฆ์เนี่ยเกิดความรู้สึกหวาดเสียวต่อเสียงเช่นนั้น ไม่มีอันที่จะปฏิบัติกิจให้สงบได้พระพุทธองค์จึงตรัสว่าถ้าหากว่าเราตกอยู่ท่ามกลางพยันตรายมีความหวาดเสียวอย่างนี้เราจะต้องนึกถึงพระพุทธคุณเป็นอารมณ์นึกถึงพระพุทธนึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์เนี่ยเป็นอารมณ์ความแก้วกล้าก็จะเกิดขึ้นเราจะไม่รู้สึกหวาดเสียวต่อสิ่งต่าง นี่เป็นผลที่เกิดขึ้นทางด้านจิตใจซึ่งอันนี้เองที่เป็นอิทธิพลอันหนึ่งบรรดาให้เกิดเครื่องรางของขลังบรรดาให้เกิดพระเครื่องบูชากันในพระพุทธศาสนาอย่างพี่อตมาได้เคยพูดครั้งหนึ่งว่าทหารเข้าสู่สงครามหนึ่งกองพันแต่พระพุทธเจ้าจะเข้าสู่สงครามถึงสิบกองพันหรือยี่สิบกองพัน จำนวนจะมากกว่าทหารถึงสิบเท่าหรือยี่สิบเท่าตัวเพราะว่าในทหารคนหนึ่งคนหนึ่งจะมีพระเครื่องถึงยี่สิบองค์บางทีถึงสิบกว่าองค์รอบคอไปหมดหลวงพ่ออะไรต่อหลวงพ่ออะไรก็ไม่รู้หล่ะเต็มคอไปหมดเลยแสดงว่าพระนี่เข้าสงครามมากกว่าทหารทหารเข้าพันหนึ่งพระจะต้องมีไปถึงหมื่นหนึ่ง ทำไมจึงต้องเอาพระติดตัวไปด้วยการพกพระเช่นนั้นน่ะจะเกิดประโยชน์อะไรบ้างถ้าเราพิจารณาในด้านจิตใจพระเนี่ยจะทำให้เกิดกำลังใจขึ้นกาลังใจดีขึ้นในปัจจุบันนี้ไม่เรียกใจแล้วเขาเรียกขวัญกำลังขวัญดีขึ้นเช่นขวัญของทหารดีขึ้นขวัญของประชาชนดีขึ้นอะไรเหล่านี้ใช้คำว่าขวัญ แต่แท้ที่จริงก็คือกำลังใจนั่นเองถ้าเรามีสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ติดตัวไปแล้วกำลังใจดีเมื่อกำลังใจดีก็ทำให้เกิดความแก้วกล้าไม่เกิดความหวาดหวัน่นทำให้มีความกล้าหาญขึ้นมีสมาธิดีขึ้นเมื่อมีสมาธิดีขึ้นก็ทำให้เป็นคนมีความเชื่อมั่นเชื่อว่าเราจะต้องทำสำเร็จเชื่อว่าเราจะต้องชนะนมีความเชื่อมั่น นอกจากมีความเชื่อมั่นแล้วยังมีสติด้วยทำให้บุคคลผู้ที่มีพระเครื่องอยู่ในคอนี้ไม่ประมาททำให้ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทมีสติเมื่อมีสติก็มีปัญญาที่จะแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าเมื่อมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็แก้ไขเหตุการณ์เช่นนั้นในเฉพาะหน้าได้ทันทีทันควันตัดสินใจได้รวดเร็วและก็ถูกต้องด้วย เนี่ยก็เนื่องมาจากว่าเพราะมีปัญญาหรือมีปฏิภาณไหวพริบดีขึ้นเพราะฉะนั้นอิทธิพลเหล่านี้จึงบันดาลให้เกิดการบูชาพระพุทธรูปเครื่องรางของของัขงทั่ ว, วไปแล้วก็แปรสภาพเป็นหลวงพ่อนั้นเป็นหลวงพ่อนี้หลายๆหลวงพ่อแต่แท้ที่จริงก็คือพระพุทธเจ้านั่นเององค์เดียวกันคือพระพุทธรูปแต่ว่า เป็นพระพุทธรูปที่เราสามารถนำติดตัวไป